ตลอดลําน้าเจ้าพระยาเมื่อ30ปีก่อนก็ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุกชุมไปด้วยกุ้งแล้วก็ปลานานาชนิดนะคะคนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งก็จะหากุ้งหาปลาได้ไม่ค่อยยากอยากจะกินกุ้งเผาหรือว่าต้มยำก็ติดไฟตั้งน้ําเตรียมเครื่องไว้ได้เลยแล้วก็นั่งตกหรือว่าลงไปงมก็จะได้มาทํากินไม่มีคําว่าผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะกุ้งกับปลาสมัยก่อนนั้นกิโลละไม่กี่บาท กุ้งใหญ่กล้ามกรามกิโลละยีกว่าบาทผิดกับสมัยนี้นะคะที่ราคาสูงถึง 4-500 บาทถ้าเราไปกินตามพัตคารตามเหลาราคาก็ปลาเข้าไปตัวละตั้งร้อกว่าบาทเลยนะคะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลองผีดุค่ะที่คุณเต้ส่งมานะคะบอกว่าสมัยนั้นคุณเต้ยังเป็นเด็ก บ้านอยู่ปากน้ำสมุทรปราการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไปจนถึงหน้าศาลก็เป็นฝั่งแม่น้ำตามธรรมชาติไม่มีเขื่อนสร้างกันน้ำเซาะฝั่งเช่นสมัยนี้ ตัวสารจังหวัดเป็นตึกแบบเก่าจำไม่ได้ว่าสร้างในสมัยไหนมีต้นมะขามใหญ่ขนาด 3-4 สี่คนโอบอยู่ต้นหนึ่งด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีป้อมปืนเก่าสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปูนกระเทาะจนเห็นอิฐแดงมองดูก็เป็นรูปร่างทมึนทึนหน้าเกรงขามค่ะ ยามหน้าหนาวตอนน้ำเหนือหลากน้ำก็จะปริมไปทั้งสองฝั่งเพราะว่าน้ำทะเลขึ้นหนุนตอนเย็นน้ำขึ้นคุณเต้กับเพื่อนนี่ก็มักจะเอาเบ็ดไปตกปลากันบ่อยๆนะคะบางครั้งก็จะได้ปลาดุกตัวใหญ่ไข่เต็มท้องเอามาทำแกงส้มกินกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคลองวัดมหาวงคลองวัดนอกคลองบ้านใหม่คลองใหญ่คลองตะเค็ดหรือว่าจะเป็นคลองเล็กคลองน้อยปูทะเลก็ชุกชุมไปหมด ใครมีหัวทำยอก็ใช้ยอยกใครมีปัญญาจะทำก็ใช้หัวปลาผูกเชือกติดไว้กับไม้นะคะก็ปักไว้ตามริมน้ําพอคันเชือกกระตุกก็แสดงว่าปูเข้ามากินเหยื่อเจ้าของเบ็ดที่นั่งเฝ้าอยู่ก็จะค่อยๆสาวเชือกขึ้นมาพอเห็นตัวปูก็จะใช้สวิงช้อนแค่นี้ก็ได้ปูกินแล้วนะคะแต่ว่าสมัยนี้อย่าไปหาเลยค่ะคุณผู้ฟัง เพราะแม้แต่ปูเปรี้ยวก็คือปูตัวเล็กๆที่ก้ามโตข้างเดียวมันแทบจะไม่มีให้เห็นอยู่แล้วเช่นกันปูจะตกได้ก็ตอนหัวน้าขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็หาปูกินเหยื่อยากนะคะ คุณเต้แล้วก็พเพื่อนๆนี่ก็เลยนิยมตกกุ้งค่ะแล้วก็ไปงมกุ้งกันมากกว่าเพราะว่ากุ้งตกได้ทุกเวลาไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลงการตกกุ้งต้องคอยหมั่นสาวเพราะว่ากุ้งกินเหยื่อเบามากแล้วก็อยู่ลึกถึงซอกพื้นหินใต้น้ำการสาว ก, ก็ต้องสาวช้าๆไม่ให้กุ้งรู้สึกว่ามันกำลังถูกดึงขึ้นมานะคะ มีคนบอกว่าตอนดึกน้ำนิ่งกุ้งจะเข้านอนเท็จจริงอย่างไรก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าสมัยเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาบอกกับคุณเต้อย่างนี้นะคะพวกเขาก็เลยนิยม ง, มงมกุ้งกันตอนดึกกันเพราะว่าอตอนหน้าหนาวเนี่ยไปงมกุ้งกันที่หน้าสารจังหวัดกับหน้าสารกลางก็จะได้กุ้งกลับบ้านวันละกิโล2กิโลกันเป็นประจำเลยล่ะค่ะ ส่วนเพื่อนคู่หูที่ไปงมกุ้งกับคุณเต้เนี่ยเขาจะชื่อหมึกคือหมึกเป็นลูกคนงานของคุณตาก็เลยเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งลูกน้องในเวลาเดียวกันรูปร่างของหมึกเนี่ยก็จะล่ำบึกแข็งแรงกว่าคุณเต้ซึ่งคุณเต้นี่ก็จะสูงผอมกระรองนะคะเวลาดำน้ำงมกุ้งคุณหมึกเนี่ยก็จะดำได้นานกว่าบางครั้งโผล่ขึ้นมาก็จะได้กุ้งติดมือมาถึง2ตัวเลยก็ยังเคยมี วิธีงมกุ้งนั้นค่ะเมื่อดำลงไปแล้วจนถึงพื้นน้ำข้างล่างก็ค่อยๆเอามือลวงเข้าไปในซอกหินพอถูกตัวกุ้งแล้วก็ต้องรีบกาไว้ทันทีกาไม่ได้จังหวะก็ไปกาเอาส่วนหัวถูกหนามแหลมของมันเข้าก็เล่นเอาปวดไปเหมือนกันนะคะมาจนกระทั่งคุณเต้บอกว่าอายุได้15ปีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเลิกงมกุ้งอันเป็นเกมที่โปรโดปรานก็เกิดขึ้นค่ะวันนั้นคุณเต้ชวนหมึกไปด้วย เหมือนทุกๆวันที่เคยไปไม่ได้ไปงมตรงหน้าสารกลางหรือว่าหน้าศาลเหมือนเดิมแต่ว่าไปงมตรงปากคลองวัดนอกซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าคลองผีเข้านะคะเพราะว่าศพลอยน้ำไม่ว่าจะตอนน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงมักจะถูกน้ำเนี่ยพาเข้าไปลอยอืดในคลองนั้นทุกทีจะเป็นเพราะว่าผีอยากจะให้พระช่วยเผาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน และสาเหตุที่เปลี่ยนที่งมกุ้งก็เพราะมีคนบอกนะคะว่าตรงปากคลองวัดนอกกุ้งชุมยังกับมดค่ะคนมันกลัวผีลอยน้ำมาก็เลยไม่มีใครกล้า ง, งมคุณเต้ก็เลยชวนเพื่อนที่ชื่อหมึกเนี่ยนะคะไปงมกุ้งด้วยกันค่ะคืนนั้นอากาศค่อนข้างเย็นลมหนาวพัดมาอ่อ น, ออน คุณเต้ไปถึงปากคลองวัดนอกตอนสามทุ่มซึ่งส่วนมากก็มักจะนิยมกันไปตอนนี้นะคะสามทุ่มสมัยก่อนนะับว่าดึกมากบ้านเรือนแถวนั้นไม่ค่อยมีทุกอย่างก็เงียบสงัดพอทั้ง2คนนะคะไปถึงตรงคลองนอกค่ะก็ถอดกางเกงชั้นนอกออกเหลือแต่กางเกงชั้นในคนละตัวปฏิบัติการง ม, มกุ้งก็เริ่มนะคะคือหมึกเนี่ยลงไปก่อนแต่ว่าคุณเต้ตามลงไปที่หลังคืนนั้นคุณเต้บอกว่าน้ําก็ค่อนข้างนิ่งแต่ว่า น้ำนี่เย็นเฉียบมากคลื่นลูกเล็กๆลอยเข้าหาฝั่งช้าๆเสียงซ่าของน้ำเนี่ยก็ชวนวังเวงใจนะคะก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ่นพึมพำบอกว่าอุ้ยน้ำเย็นมากเลยเต้ก็มันหน้าหนาวนี่หว่ะคุณเต้ก็บอกไปที่ตรงหน้าสาระกลางทําไมมันไม่เย็นวะทั้งๆที่ตอนเราไปงมกันวันก่อนอากาศหนาวกว่านี้อีกคุณเต้ก็เลยบอกเออแต่เข้าว่าตรงนี้มันปากคลองน้ํามันนิ่งกว่าหน้าสาระกลางมันก็อาจจะเย็นกว่าก็ได้นะ อ, อ, อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะคุณหมึกก็รีบตอบคุณเต้ไปนะคะพร้อมกับดำผุบหายลงไปใต้น้ำ คุณเต้ก็เลยดำน้ำตามลงไปบ้างถึงก้นน้ำก็ยิ่งเย็นจัดจนรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเพราะว่าเพิ่งลงน้ำใหม่ๆร่างกายก็อาจจะยังปรับอุณหภูมิในร่างกายไม่เข้าที่นะคะคุณเต้ก็เอื้อมมือลวงเข้าไปในซอกหินกุ้งชุมจริงๆคุณผู้ฟังคุณเต้บอกว่าเพียงแค่ลวงเข้าไปนี่หูเจอกันสองตัวสมตัวนะคะคือเข้าไปครั้งแรกก็เจอกุ้งแล้วไม่ใช่ตัวเดียวค่ะแต่ว่ามีอยู่ด้วยกันถึง3ตัวเลยก็มี คุณเต้ก็รีบคว้าไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ดีดตัวขึ้นสู่ผิวน้ําคุณหมึกก็ขึ้นมาก่อนแล้วล่ะค่ะทีเดียวได้2เลยเหรอกล้ามกลามใหญ่ซะด้วยสิคุณหมึกลองถามคุณเต้พร้อมกับลงไปดําใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้คุณเต้เอากุ้งใส่สวิงแล้วก็ดําลงไปด้วยพอถึงก้นน้ําแทนที่จะเย็นน้อยกว่าเดิมค่ะกลับรู้สึกว่าน้ํามันเย็นจัดขึ้นกว่าเดิมขณะที่กําลังเอามือลวงเข้าไปในซอกหินขาของเขาก็ถูกกระตุกอย่างแรง ก็นึกในใจแล้วค่ะว่าเอ๊ะไอหมึกมันเล่นพิเรนอะไรอีกหรือเปล่าเขาก็เข้าใจเช่นนั้นนะคะพอจับกุ้งได้ก็โผล่ขึ้นมาผิวน้ําไอ้หมึกก็ยังไม่ขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังคุณเต้ก็เลยโยนกุ้งใส่สวิงแล้วก็ดำลงไปใหม่โผล่ขึ้นมาอีกคราวนี้เจอไอหมึกนะคะก็เลยพูดกับคุณหมึกไปบอกว่าไอ้หาเอ็งดึงขาข้าทําไมวะเฮ้ยข้าเปล่าน้ํามันป่วนมั้งข้ายังรู้สึกว่าถูกดึงเลย คุณหมึกก็รีบปฏิเสธนะคะเป็นภาษาคุยกันของคนพื้นบ้านสมัยก่อนนี่แหละค่ะก็อาจจะมีพูดจาไม่เพราะกันบ้างคือคุณเต้บอกว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดเฉลียวใจอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นจริงอย่างที่ไอ ห, หมึกมันว่าก็ได้ก็เลยดำลงไปงมกุ้งต่อนะคะแต่ว่าแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะคุณเต้กับหมึกเนี่ยก็งมกุ้งได้เกือบ3กิโลเพราะว่ากุ้งค่อนข้างชุกมาก ตอนที่ลงไปงมกุ้งครั้งหลังเนี่ยคุณเต้มักจะรู้สึกว่าตัวเองถูกใครมาดึงขาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่คิดเฉลียวใจเช่นเคยเพราะมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําปั่นป่วนหรือว่าน้ําวนอย่างที่หมึกบอกนะคะคุณเต้โผล่มาเจอหน้าหมึกอีกครั้งหนึ่งก็เลยนัดกันว่าจะลงงมอีกคนละสองครั้งแล้วก็จะกลับเอ้หมึกก็รีบพยักหน้ารับคําทันทีเที่ยวนี้นะคะทั้งคุณเต้แล้วก็คุณหมึกค่ะก็โผล่ขึ้นมาพร้อมๆกัน คุณหมึกก็รีบชี้มือแล้วก็ร้องอุทานนะคะเสียงดังมากถามคุณเต้บอกว่าเต้อะไรอยู่ข้างหลังมึงอะ่ะคุณเต้ก็เลยถามไปบอกว่าอะไร ก็เลยหันไปดูนะคะก็ไปเจอร่างของศพลอยน้ำขึ้นอืด น, นะคะอย่างกับถังน้ำมันขนาด200ลิตรลอยน้ำเข้ามาทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนค่ะลอยตุบ ป, ป่องตู้ป่องอยู่ห่างคุณเต้เพียงแค่คืบคุณเต้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมตกใจปล่อยกุ้งหลุดมือแล้วก็ว่ายน้ำปีนขึ้นฝั่งตามไอหมึกไปอย่างรวดเร็วแบบไม่คิดชีวิต หมึกก็รีบบ่บนพึมพำนะคะพร้อมกับถามคุณเต้บอกว่ามันลอยเข้ามางั้แต่เมื่อไหร่ว่าพร้อมกับเอื้อมมือไปคว้าสวิงกุ้งขึ้นมาถือนะคะไอหมึกหันไปดูศพลอยน้ำค่ะแล้วก็ต้องอุทานออกมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมศพมันหมุนได้คุณเต้ก็เลยหันไปมองดูค่ะศพลอยน้ำศพนั้นหมุนได้จริงๆคล้ายกับถูกน้าวนดูด แต่มันน่าแปลกนะคะตรงที่ว่าน้ําตรงนั้นเป็นคลื่นที่สาดเข้ามาหาฝั่งธรรมดาไม่มีน้ําวนอะไรมันก็เลยชักจะยังไงจะยังไงอยู่นะคะดูว่าอาจจะเป็นผีหลอก2คนนี้ก็คิดแล้วค่ะในใจของคุณเต้ก็คิดตรงกันกับหมึกเหมือนกันบอกว่าต้องวิ่งเนาละล่ะตอนนี้พอคุณเต้ขยับเท้าแค่นั้นแหละนะคะไอ้หมึกก็วิ่งตามเกือบจะพร้อมๆกัน ตอนเช้าเป็นวันอาทิตย์ค่ะคุณเต้กับหมึกก็เลยไปเตร่ที่วัดเพื่อจะดูศพลอยน้ําเมื่อคืนเพราะว่าอย่างไรนะคะมันก็คงจะต้องลอยเข้าคลองให้สับ ป, ปะเลอะวัดนอกเก็บเป็นแน่แต่ปรากฏนะคะว่าไม่มีวิแววไม่มีศพลอยน้ําไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือว่าที่ริมแม่น้ํางั้นที่คุณเต้กับคุณหมึกเจอเมื่อคืนก็น่าจะเป็นผีแล้วล่ะนะคะสองคนนี้ก็มองหน้ากันค่ะคุณหมึกก็เลยบอกว่า ตอนที่งมกุ้งอยู่เมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนถูกอะไรไม่รู้กระตุกขาแรงๆตั้งหลายทีแต่ว่าไม่กล้าบอกเพราะว่าเกรงว่าคุณเต้จะกลัวนะคะก็สรุปค่ะว่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นไปคุณเต้กับหมึกก็เลยเลิกงมกุ้งอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหน้าศารากลางหรือว่าปากคลองผีเข้าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองค่ะ เรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยของทวดนะฮะยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งท่านได้ประสบมาด้วยตัวเองเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็ไม่สามารถลืมเลือนเหตุการณ์นี้ได้เลยแม้กระทั่งสิ้นอายุไขในวัยหนึปีทวดเกิดเมื่อประมาณปีพศ2450ในยุคปลายรัชกาลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพูดง่ายๆค่ะ ว, ว่าทวดมีชีวิตอยู่ถึง5แผ่นดินทวดเกิดที่ฝั่งเขาแดงจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันนี้ฝั่งเขาแดงที่ว่าก็ต้องข้ามแพขนานยนต์หรือว่าขับรถข้ามสะพานตีนสูรานน์ไปยังอำเภอสิงห์นครอาเภอสถิงพระเนื่องจากว่ามีทะเลสาบขวางไว้อยู่นะคะสงขลาจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองทะเลก็คือมีอ่าวไทยหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าทะเลหลวงกับทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งอาเภอเมืองสงขลานั้นได้มีส่วนของแผ่นดินที่เรียกว่าแหลมยื่นออกไปในทะเลค่ะ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นนางเงือกที่บรรดานักท่องเที่ยวทั้งใน่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะชอบมาถ่ายรูปด้วยหากไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีคำบอกเล่ากันล้วค่ะว่าแสดงว่ายังมาไม่ถึงสงขาประมาณนั้นนะคะ เรื่องราวที่ทวดเล่าให้ฟังนะคะทวดเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนทวดอยู่ที่บ้านม่วงงามปัจจุบันอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอสถิงพระและก็อำเภอสิงห์นครท่านเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งในไม่กี่คนของครอบครัวที่มีฐานะแล้วก็ครอบครัวหนึ่งในละแวกนั้น ทวดในสมัยเด็กไว้ผมจุกแล้วก็นุ่งจงกระเบนผ้าทอรูปร่างแบบบางแต่ว่าแข็งแรงนะคะผิวท่านขาวผิดไปจากคนในพื้นที่ใบหน้ารูปไข่แล้วก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอก็เลยเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนในแถบนั้นทวดเล่าให้ฟังค่ะว่าสมัยเด็กทวดเองก็ชอบไปเที่ยววิ่งเล่นในบริเวณวัดแห่งหนึ่งใกล้กันกับบ้าน ทางที่เดินผ่านระหว่างวัดกับบ้านต้องเดินผ่านคันนาของชาวบ้านแถวนั้นซึ่งก็จะมีต้นตะเคียนใหญ่ยืนต้นตรงานอยู่ขนาดผู้ใหญ่ห้าคนโอบรอบในตอนกลางวันจะเป็นร่มเงาให้กับชาวบ้านที่ทำไร่ไถนาได้พักพิงอาศัยร่มเงาหลบแดดกินข้าว สนทนาการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปตามวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นน่ะนะคะแต่เมื่อได้มีความมืดแห่งรัติการมาเยือนมันก็จะกลายร่างเป็นอสุรกายยืนตระงานเป็นที่น่าหวาดกลัวยิ่งนักในสายตาของเด็กน้อยอายุ8ขวบค่ะ ทวดเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่านิทานเกี่ยวกับตะเคียนยักษ์เก่าแก่ต้นนั้นให้ฟังบางก็บอกว่าหัวค่ำวันหนึ่งฟ้าผ่าต้นตะเคียนพอรุ่งเช้ามันกลับไม่ได้หักโค่นลงหรือได้รับอันตรายให้ถึงแก่อายุไขของมันเลยมีเพียงแค่รอยไหมดำเป็นทางยาวเท่านั้น บ้างก็บอกว่าเห็นคนเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่ม4ี่ห้าเงา ว, วิ่งวนรอบต้นตะเคียนก็เป็นในๆนะฮะบอกว่ามีผีพวกกูมานมาวิ่งไล่จับรอบต้นไม้หรือบางครั้งนะคะก็มีผู้คนค่ะได้เห็นต้นตะเคียนต้นนี้นะคะต้นสูงใหญ่กว่าปกติ เป็นรูปร่างเหมือนคนผอมโซท่าทางหิวโหยว่ากันว่าเป็นเปรตนะคะซึ่งไม่ว่าจะมีคำเล่าลือกันอย่างไรนั้นเป็นที่แน่ชัดค่ะว่าชาวบ้านเชื่อกันถึงเรื่องลึกลับอันเกิดขึ้นเนื่องจากอาถรรพ์หรือพูดผีที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนต้นนี้ สิ่งที่ทวดเรียกว่านิทานนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่เล่าลือกันมาปากต่อปากจากรุ่นสู่ ร, รุ่นจนตะเคียนต้นนี้กลายเป็นที่ยำเกรงของชาวบ้านหากใครไปอาศัยร่มเงาพักร้อนในเวลากลางวันก็จะมีธรรมเนียมที่ว่าต้องบอกกล่าวหรือว่าขอกันก่อนหรือใครผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้เป็นการแสดงความเคารพนะคะเพื่อไม่ให้ผลร้ายตกสู่ตน ทวดเองก็ทุกครั้งที่วิ่งผ่านนะคะทวดบอกไม่เดินผ่านเพราะว่าตอนเด็กคิดว่ามันช้าเดี๋ยวโดนผีจับขาทวดก็เลยต้องวิ่งทวดเองก็วิ่งไปพร้อมกับยกมือไหว้ไปแบบปลกุกปลุกนะคะก็วิ่งไปเรื่อยๆค่ะจนพ้นจากบริเวณเงาอันเกิดจากการแผกกิ่งก้านสา ข, าขาของไม้ยืนต้นต้นนี้ทุกครั้งท่านก็จะหันกลับมามองด้วยความสงสัยแบบกังขาซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เคยเจอกับตัวเองก็เลยรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ท่านก็ยังคงถือคำผู้ใหญ่ที่ว่าหากไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ท่านก็เลยไม่ทำอะไรล่วงเกินแก่ต้นไม้ต้นนี้และไม่แม้แต่จะคิดย่างกรายเฉียดใกล้โดยไม่จำเป็นค่ะ มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่วัดใกล้บ้านมีงานประจำปีตกกลางคืนก็จะมีมหฮรสต่างๆแล้วก็มีการออกร้านขายของของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ละแวกใกล้เคียงทุกครั้งที่มีงานดังกล่าวนี้ก็จะเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของทวดเองค่ะซึ่งในเย็นวันนั้นท่านได้ยินพี่สาวกับพี่ชายที่แก่กว่าตัวเองกระซิบกันชักชวนกันขออนุญาตพ่อกับแม่ออกไปเที่ยวงานวัด ท่านก็เลยขอติดสอยห้อยตามไปด้วยและพี่สาวกับพี่ชายก็ยินดีที่จะให้ไปเพราะนึกเอ็นดูอยู่ในอาการตื่นเต้นของน้องสาวตัวน้อยทุกคนก็เลยเตรียมตัวเพื่อไปงานค่ะคืนนั้นเป็นคืน15ค่ําพระจันทร์เต็มดวงไม่ต้องถือคบใต้ไปให้ยุ่งยากเมื่อเตรียมตัวกันพร้อมสัพท์แล้ว3พี่น้องก็จูงมือกันเดินข้ามเถียงนาแล้วก็เดินผ่านต้นตะเคียนเก่าแก่ต้นนั้นไปด้วยอาการขนลุกกันทั้ง3าคนจนบรรุถึงบริเวณวัดนะคะ คนมากมายหลั่งไหลกันมาดูมหรสพและปาหี่ค่ะรวมทั้งจับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่มาขายในงานทวดเล่าว่าท่านชอบดูเขาเล่นมายากลก็เลยไปยืนดูสักพักใหญ่ไม่ได้ยินเสียงเรียกของพี่สาวและพี่ชายทั้งคู่แรกๆอยู่ก็จูงมือกันดีๆแต่เมื่อพี่สาวและพี่ชายดูมายากลจนเบื่อก็เลยกระตุกมือน้องพร้อมทั้งบอกว่าจะไปดูการแสดงชนิดอื่นๆแล้วนะซึ่งน้องสาวไม่ได้ยิน เพียงแค่หันหน้าไปมองตามมือที่จับกระตุกอยู่แล้วก็โดนคนที่เบียดเสียดกันเนี่ยทำให้พลาดจากพี่ๆไปนะคะโดยตัวของทวดเองค่ะก็พยายามตะโกนเรียกพี่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นผลก็เลยตัดสินใจพละจากมายากลตรงหน้าแล้วก็เดินหาพี่ๆก็เชื่ออยู่นะคะว่าคงอยู่กันรอบนอกของกลุ่มคนดูมายากลท่านก็พยายามเดินวนหารอบวงทักคนผิดทักคนถูกนะคะนึกว่าเป็นพี่สาวของตัวเองหรือว่าพี่ชายของตัวเองจนรู้สึกเหนื่อยลา้า ก็เลยเดินตามหารอบๆบริเวณวัดแล้วก็วงการแสดงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะทั้งคู่ก็อันตรธานหายไปเหมือนอากาศสิ่งเดียวที่นึกได้ตอนนั้นทวดบอกว่าตระหนักเพียงอย่างเดียวว่าตนเองต้องกลับบ้านและด้วยความที่เดินบ่อยจนชำนาญเส้นทางดังนั้นนะคะแม้แต่ในเวลากลางคืนท่านก็มั่นใจแล้วค่ะว่าจะต้องไม่หลงทางแน่นอนพี่ทั้งสองคนอาจเบื่อหน่ายงานจนกลับบ้านไปแล้วก็เป็นได้ ทวดในวัย8ดขวบก็เลยพละจากงานวัดเดินเรียบรั้วกำแพงไปเรื่อยๆจนถึงปากทางบริเวณที่ตัดผ่านทุ่งนาซึ่งตัวท่านเดินเป็นประจำค่ะแต่ก็นึกครั่นคล้ามอยู่ในใจเสียไม่ได้ตรงที่ทางที่จะผ่านไปบ้านต่อไปนี้เนี่ยมันมีต้นตะเคียนต้นหยายืนระงานอยู่ในใจก็นึกเสียดายอยู่ครั่งครันเอ๊ะทำไมนะครั้งที่ฟ้าผ่าลงมาไม่ผ่าให้ตอกุดจะได้ไม่มีผีอยู่ เด็กผู้หญิงก็กลั้นใจวิ่งนะฮะกะว่าชั่วกั้นหายใจเดียวจะพ้นไปถึงปากทางอีกฝากหนึ่งแต่แล้วค่ะก็มาหมดลมกลั้นตรงที่ก่อนจะถึงต้นตะเคียนเพียง 4-5 ห้าหลาเท่านั้นยืนเอามือเท้าเข่าเหนื่อยหอบอยู่พักใหญ่ก็เลยรวบรวมแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวิ่งต่อแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างนะคะหล่นลงมาจากที่สูงกระทบกลางกระด ม, ม่ทวดยกมือคลาดูแล้วก็หันรีหันขวางหาที่มา ซึ่งขณะนั้นก็เหลียวไปมองด้านหลังมีวัตถุชนิดเดิมค่ะที่กระทบสีษะอีกทวดก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นตะเคียนเบื้องหน้าแล้วก็เดินกระเถิบเข้าไปใกล้โคนต้นในระยะหลาเดียวสิ่งที่ปรากฏอยู่ให้เห็นตรงหน้าคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ทำให้ทวดถึงกับตกใจมันเป็นเงาตะคุ่มอยู่บนกิ่งตะเคียนใหญ่ที่อยู่ต่าที่สุด แต่ก็สูงกว่าทวดถึง3าสี่ช่วงตัวผู้ใหญ่เงานั้นอยู่ในลักษณะนั่งยองยองหันหน้าเข้าประจันกับผู้ที่อยู่ในโคนต้นนะคะเล่นกับกูไหมเงานั้นถามด้วยอาการเชื้อเชิญเป็นจังหวะคำพูดของคนปกติและน้ำเสียงที่ได้ยินพอจะบอกได้ว่าเป็นเสียงของผู้ชายค่ะ ตัวของทวดเองนะคะที่ยืนอยู่ใต้คนต้นตะเคียนะคะ่ะก็ทำหน้าขมวดคิ้วแล้วก็ชั่งใจอยู่พักใหญ่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปความตกใจในตอนนั้นที่ทวดมีนะคะก็หมดสิ้นไปเหลือเพียงแค่ความงุนงงทวดก็เลยแข็งใจถามออกไปบอกว่าเล่นอะไรเหรอแล้วก็มีเสียงจากคนที่นั่งยองๆ อ, อยู่บนต้นไม้บอกว่าเล่นทอยหัวไงล่ะ เสียงนั้นตอบมาแทบจะทันทีค่ะแล้ววัตถุขนาดลูกมะพร้าวห้าวหล่นลงมาตรงหน้าสิ่งนั้นกลิ้งหลุนๆไปแทบเท้าวทวดซึ่งตอนนั้นทวดบอกว่าตกใจมาก ก็เลยต้องกระเถิบถอยหลังออกไปแสงยามวิการจากพระจันทร์เต็มดวงส่องให้เห็นถึงรายละเอียดของสิ่งนั้นที่ทำให้เลือดในตัวเนี่จับกันแข็งเป็นก้อนมันคือหัวของคนค่ะหันมายิ้มยิงฟันลูกในตากลวงโบลึกเข้าไปทวดร้องออกมาคำหนึ่งแล้วก็หลับตาแน่นพยายามก้าวขาออกไปแต่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนะคะยึดไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปจากตาแหน่งเดิมศีรษะนั้นยังคงยิ้มยิงฟันสูดอยของสูบ้างสิ เสียงมันชวนเล่นนะคะทวดคนลุกเกลียวนึกสวดอิติปิโสอยู่ในใจแต่ว่าตอนนั้นนะคะทวดบอกว่าอิติปิโสก็สวดได้เพียงแค่สี่พยางนึกอะไรก็นึกไม่ออกใจมันอยากจะวิ่งทั้งๆ ท, ท, ที่หลับตาปีก็เลยค่อยๆก้มตัวเอามือทุบน่องทั้งสองข้างให้มีความรู้สึกเมื่อความรู้สึกกลับคืนมาว่าไม่มีอะไรยึดขาของตนจึงวิ่งรวดเดียวถึงบ้านเลยนะคะ ทวดวิ่งขึ้นบ้านในขณะที่ร้องโวกเวกไม่เป็นภาษาทําให้ผู้ที่อยู่ในบ้านตกใจเป็นอย่างมากร้องถามลั่นค่ะว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นซึ่งท่านก็ไม่มีสติที่จะตอบซะแล้ววิ่งตรงไปยังห้องนอนแม่กระทุบ ป, ประตูโครมครามร้องเรียกแม่ลั่นเลยนะคะทั้งๆที่แม่ของทวดก็อยู่ที่ชานเรือนซึ่งไม่ได้สังเกตเห็นทั้งแม่แล้วก็พ่อค่ะก็วิ่งเข้าไปจับตัวแต่ว่าทวดก็พยายามสลัดให้หลุดออกยกมือพนมแล้วก็ตัวสั่นอยู่แบบนั้น บอกกูไม่เล่นออกไปกูไม่เล่นสูบไปให้พน้นกูไม่เล่นทั้งมือทั้งขานะคะก็ตะกายฟ้าตะกายอากาศไปพร้อมกับปากก็ยังคงอ่าโวยวายอยู่บอกว่ากูไม่เล่นออกไปกูไม่เล่นไปให้พน้นนะคะร้อนถึงย่าค่ะที่กําลังตะบันหมากอยู่ก็ต้องลุกกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาผ้านวมมอหมเพราะว่าร่างกายของหลานตัวน้อยนี่เย็นเฉียบเหมือนไปวิ่งฝ่าอากาศหนาวมาทั้งทั ง, ท, งที่ช่วงนั้นเป็นช่วงร้อนหรือว่าหน้าร้อนนั่นเอง ไม่กี่อึดใจใหญ่ค่ะพี่สาวและพี่ชายก็วิ่งโครมครามขึ้นมายัางบ้านปากก็ตะโกนบอกว่าน้องสาวได้หายไปแต่เมื่อโผล่พ้นบันไดก็เลยหยุดนะคะเมื่อเห็นเหตุการณ์อันจับต้นชนปลายไม่ถูกผู้เป็นพ่อก็เลยถามถ่ายถึงเหตุการณ์ ทั้งคู่งุนงงเพราะรับรู้เหตุการณ์เฉพาะตนเพียงแต่ที่พยายามตามหาน้องสาวที่พลัดหลงกันอยู่นานเมื่อแน่ใจว่าไม่เห็นแล้วจึงพากันวิ่งมาบอกความที่บ้านแต่น้องกลับมาถึงบ้านก่อนหน้าพวกตนซะแล้วคืนนั้นทั้งคืนทวดก็ซุกอยู่ในผ้าห่มนะคะปากก็ยังคงพึมพำอยู่ประโยคเดียวเป็นเสียงแผ่วเบาแบ บ, แบบไม่ได้สติตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีไข้สูงมากเป็นที่กังวลของใครหลายคนแต่ก็พยายามรักษากันไปตามอาการค่ะ คุณแม่ก็เช็ดตัวให้คุณพ่อก็หาอยู่หายารักษากันไปจนไม่เป็นอันทำการทำงานนะคะแล้วก็หมดเวลาไปอีกวันหนึ่งกับคืนหนึง่งเช้าวันรุ่งขึ้น พี่สาวก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้องสาวน่าจะถูกผีหลอกระหว่างเดินทางกลับบ้านก็เป็นได้เลยร้อนนะคะต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปตามผู้รู้มาทำพิธีอีกส่วนหนึ่งไปเอาน้ำมนต์ที่วัดมาให้ดื่มกินดังนั้นจึงเกิดการฉุดกระชากกันขนาดใหญ่เนื่องจากทวดเองก็ไม่ยอมออกจากพระห่มนะคะแต่อีกฝ่ายนึงกลังเยอะกว่าก็เลยกระชากออกไปได้ทวดเล่าให้ฟังนะคะว่าภายหลังได้ฟังพี่สาวเล่ามาอีกทีนึง ผมของทวดเนี่ยม้วนจุกไว้บัดนี้หลุดลุย่ยได้ปรากฏว่าร่วงลงมาจนบางห่อมแรมนี่แหละนะคะที่เขาเรียกว่าจับไข้หัวโกรธนะคะ หมอผีกรอกน้ำมนต์ให้ทวดดื่มเข้าไปหลายอึกส่วนที่เหลือก็ราดอาบจนได้สติมาในระดับหนึ่งแต่ว่าตานันนยังคงปิดสนิทอยู่ใครคนหนึ่งสอบซักถึงที่มาท่านจึงได้เล่าถึงอุปัตวะเหตุเกิดขึ้นอย่างกระท่อนกระแทน่นประจวบกับเป็นเวลาเดียวที่หมอผีขึ้นมาบนเรือนพอดีจึงได้ทำพิธีปัดเป่าให้หายหมอผีหยิบเอาน้ามันอาคมขึ้นมาลูบมือแล้วก็เริ่มนวดเฟนไปตามร่างกายของเด็กค่ะ เมื่อเส้นสายยืดดีแล้วนะคะก็เริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปที่หมอผีทําให้ทวดนั้นนะคะก็คือการเอ า, เอาหัวควายลงอาคมนะคะมาครอบหัวผู้ที่จับไถหัวโกขนแล้วให้ใครก็ได้จูงมือไปที่ใต้ต้นตะเคียนทวดบอกนะคะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยว่าเขาจูงไปไหนเดินวนขวาสามรอบวนซ้ายอีก3มรอบแล้วก็ให้สวดคาถาอย่างหนึ่งซึ่งท่านเองก็จําไม่ได้ว่าสวดอย่างไรหรือว่าเป็นภาษาอะไรเมื่อครอบแล้วก็ให้จูงกลับมาบ้านอาบน้ำมนต์แล้วก็นวด ด้วยน้ำมันอาคมสลับกันไปมาจนกระทั่งทวดได้สติขึ้นมาครบถ้วนจากนั้นหมอผีก็กำชับนะคะว่าวันรุ่งขึ้นทวดต้องไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผีต้นนั้นที่วัดอย่างเร็วที่สุดทวดเล่าให้ฟังค่ะว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปท่านก็ไม่ได้ไปเล่นที่วัดอีกเลยและก็ไม่พยายามเฉียดไกลเข้าไปใกล้ต้นตะเคียนผีต้นนั้นหากไม่จําเป็นนะคะหรือถ้าจําเป็นจะต้องไปจริงๆค่ะก็จะให้คนอื่นไปด้วย เป็นเช่นนั้นจนกระทั่งแต่งงานแล้วก็ออกเรือนไปซึ่งก่อนหน้าทวดจะเดินไม่ได้ก่อนที่ท่านอายุจะครบ100ปีเมื่อใดก็ตามค่ะที่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าทวดเองก็จะชี้ให้ดูนะคะที่ตอไม้นะคะแล้วก็บัตรนี้เนี่ยถูกค้นลงไปด้วยสาเหตุที่ไม่อาจจะมีใครทราบได้แล้วทวดก็จะหัวเราะอยู่ในลาคอทุกครั้งค่ะพร้อมกับกล่าวว่าตรงนั้นหละที่กูเคยโดนผีหลอกจนจับไข้หัวโขน ขอบคุณสำหรับแฟนเพจ f a c e b o o k c o m d e m o l o g y d e m o l o g i s s ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเรายังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมนณที่นี้นะค ะ, ะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ